บางงานนั้นก็คออะไรนะดูไกลจนเกินไปจนลืมดูใกลก้คว่เาเที่ผ่านมาเนี่ยนะคือนิทานใช่ไหเหตุของสิ่งทั้งหลายเนี่ ย, เ, ยเหตุของอุปทิเหตุของอะไรที่พระองค์ตรัสว่าเป็นอุปทิว่าภายนอกกับภายในเป็นอุปทิอย่างหนึ่งอีกต่อไปก็คือความอยากในวัตถุภายนอกการละตันหาในวัตถุ ภายนอกการละตันหาในวัตถุภายในคือจริงๆแล้วนะเราจะละตันหาหรือไม่ละตันหาเราจะได้อยู่กับเขาตลอดไปหรือเราคิดง่ายๆว่าชีวิตในครอบครัวของเรานะถึงเราจะอุ้ยผูกพันรักกันเหนียวแน่นถาว่มาอยู่ด้วยกันตลอดไปไหมล่ะถึงเขาให้อยู่กระดูกอยู่ด้วยกันนะก็ไม่นานมันก็กระจายอีกอยู่ดีถึงได้กระดูกอยู่ร่วมกันนะยังไงก็จากกันมันยังคํา มัจจุเนี่ยย่อมฆ่านระผู้ติดข้องในบุตรและภรยาไปสู่ไปสู่ความตายเนี่ยซึ่งมันเป็นของธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นจริงๆถึงจะผูกพันหรือไม่ผูกพันชีวิตของเราทั้งหลายก็คือทุกคนนะคือนักโทษประหารนักโทษประหารที่เรียกว่าเพชฌฆาตเขาจะเลือกที่ไหนเมื่อไร่อย่างไรเนี่ยนะก็นักเรียนธรรมะของเรานี่ก็ถูกดึงไปประหารั้งหลายค น, นใช่ ไม่รู้ว่าอะไรจะพาไปประหารน่ยนะทีนี้ของเราเทั้งหลายนยีของคณะเชียงใหม่นี่ก็ถูกประหารไปหลายคนนะขนาดมาเรียนธรรมะอยู่นะก็ล่วงไปประหารทีละคนทีละคนนะพวกที่อยู่ก็เรียนต่อไปของเรานะีอีกสิปีข้างหน้าดูนะใครจะถูกประหารไปบ้างแล้วก็ไม่รู้นะอีกยี่ิปีข้างหน้านี่หายไปเกินครึ่งแน่อ่นะประหารไม่เลือกที่ด้วยนะแต่มันบนโอ้แต่นักโทษประหารแบบชนิดพิเศษอ่ะนะ นักโทษประหาร VIP ตายในห้องแอร์แต่ว่าประหารเหมือนกันหมดะนะคือเขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกยาจกทั้งหลายเนี่ยถูกเคี่ยนเขาใช้หวายเคี่ยนใช่ไหมใช้เชือกเคียนพระราชาถูกเคี่ยนเขาโซ่ทองมาเคียนเลยนะเอาไม้จันท์มาเคียนนะเอาของอย่างดีบางคนก็โซ่ทองมาเคียนบางคนก็เอาไม้แก่นจันท์เนี่ยไม้หอมมาเคียน แต่ว่าปวดเหมือนกันจะใช้อะไรมาเคี่ยนก็เหมือนกันเนนะเพราะฉะนั้นสัตว์ทั้งหลายที่เดินไปสู่ความตายนะถึงจะใช้อาวุธชนิดใดเคี่ยนตายเหมือนกันหมดจะฉันยาหวานหรือยาขมในที่สุดก็เหมือนกันหมดพูดอย่างนี้ก็หวังว่าจะได้ตัดฉันราคาในกายนั่นแหละในเป็นความประสงค์เหนั้น ได้ไปกี่ข้อแล้วนะสแล้วเนาะหนิทาเอ่อขอไปหนึ่งเ น, น, งนรุตเนรุตคือวิเคราะห์นะเกี่ยวกับเรื่องสับแสงพยายามชนะ2 อ, อธิบายคือความประสงค์ว่าประสงค์จะให้รู้อะไร 3. นิทานก็คือนิทานเนี่ยถ้าเราสังเกตเนี่ยนิทานของวัตตากับวิวัตตานีนิทานของวัตต์คืออะไรคือพวกการติดข้องในร่างกายทั้งหลายเป็นต้นนั่นเองส่วนนิทานของวิวัตต์ก็คือการ ตัดชั้นราคะในวัตถุทั้งภายในและภายนอกนี่มาดูปุบพาประสนธีเนี่ยนะปุบพาประสนธีก็คือสัมพันธ์บทหน้ากับบทหลังเนี่ยนะในหน้า47นะกลางๆหน้าในสอย่างนั้นการสัมพันธ์บทหน้ากับบทหลังเป็นฉไนอันนี้ข้อที่สี่นะหัวข้อใหญ่มาจากข้อที่สี่คือปุบพาปะสนทีเนี่ยนะคือเหมือนที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า ชนทั้งหลายผู้มืดบอดด้วยความรักใคร่ถูกคลุมด้วยไข่คือตัญหาถูกครอบด้วยเครื่องกำบังคือตัญหาถูกผูกมัดด้วยเครื่องพันธนาการคือความประมาทเหมือนปลาทั้งหลายถูกดักด้วยใส่ที่ท้องทางน้ำไหลทนเหล่านั้นย่อมไปสู่ชราและมรณะเนืองๆ เ, เหมือนลูกวัวที่ยังไม่อดนมติดตามแม่วัวไปฉะนั้น การมตัิหานี้เป็นอันท่านกล่าวไว้แล้วคือพระพุทธเจ้าประสงค์ในคาถานี้ทั้งหมดนะเน้นอธิบายว่ากามตัิหามันเป็นอย่างนี้แหละทีนี้เชื่อมต่อกันอีกว่าการกล่าวความสัมพันธ์กับเทศนาอื่นที่อยู่ข้างหน้ากับข้างหลังอย่างไรอนนะเมื่อเมื่อเอาตันหาเป็นตัวตั้งอ่ะนะเมื่อเอาตันหาเป็นตัวตั้งแล้วเชื่อมไปหาเรื่องอื่นว่าอย่างไรเชื่อมว่าบุคคลผู้ติดอยู่ในอารมณ์ย่อมไม่รู้ผลคือไม่รู้อัถะ บุคคลผู้ติดอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายย่อมไม่เห็นธรรมะคือเหตุเนี่ยนะราคาเบียดเบียนบุคคลใดความมืดอย่างยิ่งย่อมมีแก่บุคคลนั้นอันที่จริงในหน้า18นะก็คือคาถาบาลีเหมือนกันแต่อ่า อ, อาจารย์ผู้แปลเขาแปลไม่เหมือนกันดูหน้า18นะก็คือในคาถาข้างล่างสุดหน้า18ว่าสัตว์โลกผู้มีราคาย่อมไม่รู้อัดที่เป็นผล ย่อมไม่เห็นเหตุราคาย่อมเบียดเบียนบุคคลใดความมืดอย่างยิ่งย่อมมีแก่บุคคลนั้นในการนั้นกับในหน้าสีเจ็ดนี้เนื้อหาเหมือนกันบาลีเหมือนกันแต่วิธีการแปลแตกต่างกันไปอันนี้คือเรียกว่าหลากหลายทางโวหารเนี่ยนะแปลคำเดิมๆโอ้ซ้ำๆซักๆว่า ง, งั้นตัณหานั้นอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัส ด, ด้วยความเป็นสภาพที่มืดและความเป็นสภาพที่ปกคลุมอย่างนี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสบทใดว่าผู้มืดบอดด้วยความรักใคร่ผู้ถูกคลุมด้วยข่ายคือตันหาผู้ถูกครอบด้วยเครื่องมุงบังคือตันหาตรัสบทใดว่าบุคคลผู้ติดอยู่ในอารมณ์ย่อมไม่รู้ผลผู้ติดอยู่ในอารมณ์ย่อมไม่เห็นเหตุตันหานั้นท่านกล่าวด้วยบทเหล่านั้นอันแสดงซึ่งการเสียดแทงเนี่ยนะวันคาถาตอนแรกเนี่ยในลักษณะตันหาเนี่ยสภาพที่มืดสภาพที่ปกคลุม ตอนหลังก็อธิบายว่าตันหานี้เป็นสภาพที่เสียแทงราคาอันกระทาซึ่งความมืดเป็นเหตุแห่งความทุกข์ตันหาเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดพบใหม่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสตันหาว่าเป็นกามตรัสตันหาใดาว่าปกคลุมดุจไทยคำคือตันหาเหล่านั้นชื่อว่ากิเลสกรรมทรงสแสดงการเสียแทงด้วยความพยายามแห่งกามทั้งหลายเหล่านั้นนั่นแล เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลาย เ, เพราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวเครื่องผูกคือตันหาด้วยอํานาจแห่งความเศร้าหมองและด้วยอํานาจแห่งการเสียดแทงสัตว์ทั้งหลายที่มีเครื่องผูกเช่นนี้ย่อมไปสู่ชราและมรณะเนืองเนืองการไปสู่ชราและมรณะเนืองเนืองนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงแล้วว่าย่อมไปสู่ชรามรณะเนืองเนืองด้วยอํานาจแห่งคาถาที่ตั้งไว้แล้วคาถาคือตันหานั่นแหละ รมทัท้งธรรมะที่ขยายวัตตะให้ยืดยาวและธรรมะอันเป็นเหตุตั้งอยู่ในวัตตะย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้เชื่อว่ามุนีใดบุคคลชื่อว่ามุนีใดล่วงพน้นอยากย่า่ากลวคือตัณหาและลิ่มสลักกลวคือความหลงแล้วชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกย่อมไม่รู้ซึ่งมุนีพระมุนีกล่าวคือผ้าหันผู้สิ้นตัณหาแล้วไปอยู่ ตันหาทิฐิมานะและสังขารที่ถูกธรรมะเหล่านั้นปรุงแต่งชื่อว่าธรรมะที่ขยายวัฏฐให้ยืดยาวอนุสัยทั้งหลายชื่อว่าธรรมะอันเป็นเหตุตั้งอยู่ในวัฏฐการเสียแทงด้วยตันหาและวิจริทแห่งข่ายคือตันหา36ชื่อว่าเป็นเหมือนอยากย่าิโมหะชื่อว่าเป็นเหมือนลิ่มสลักบุคคลใดก้าวล่วงสังขารทั้งหลายที่ขยายวัฏฐให้ยืดยาวธรรมะ อันเป็นเหตุตั้งอยู่ในวัตะธรรมะที่เป็นดุดอยากใยกและธรรมะที่เป็นดุดริ่มสลักทั้งปวงได้ท่านเรียกบุคคลนี้ว่าเป็นผู้สิ้นตัณหาแล้วในตรงนี้เนี่ยนะถ้าเราดูเนื้อหาโดยรวมก็เป็นการขยายธรรมะสองกลุ่มคือสมุทยาสัจจะกับนิโรสัจจะเนี่ย อย่างในหน้า47ใช่ไหมกล่าวถึงว่าผู้บอดด้วยอํานาจความรักใคร่คลุมด้วยอํานาจตันหาถูกครอบด้วยอํานาจตันหาผูกมัดด้วยเครื่องพันธนาการคือความประมาทก็เกี่ยวข้องกับตันหาเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่มีตันหาอย่างนี้เนี่ยนะถูกอบอดด้วยตันหาบกคลุมด้วยตันหาถูกครอบด้วยตันหาถูกมัดอย่างนี้เนี่ยนะก็เหมือนปลาที่อยู่ที่ถูกใสเนี่ยนะอยู่ในทางน้ำํำฉะนั้น ก็คือถ้าเป็นอย่างเงี้ยนะถ้าถ้ามันมีเรียกอะไรนะนาเนี่ยมันจะมีเป็นแปลงใช่ไหมมีแปลงแล้วก็จะมีเรียกว่ามีคันนาปลาเนี่ยมันก็จะจากจากท้องนาอีกที่หนึ่งจะไปอีกที่หนึ่งก็ไปตามทางน้ําพรามทรายทั้งหลายเขาก็จะเอาทรายเนี่ยไปดักนี่วิธีดักทรายเขาก็เอาทรายเนี่ยเอาหญ่ามาวางแล้วเอาทรายไปไปตั้งนะนะทรายเนี่ยมันจะมีแบบ2ทางหมายความว่าปลาขึ้นก็ถูกเข้าทราย ปลาลงก็เข้าทรายนะเ่เหมือนช่องทางจราจรอย่างนั้นคือจะจับมาจากทางไหนเข้าทรายหมดขอให้ไปตามทางนี้ก็แล้วกันปลาทาั้งหลายที่อยู่ในในปากทรายเนี่ยนะเปอร์เซ็นต์เนี่ยรอดเอ่อเปอร์เซ็นต์รอดตายเนี่ยน้อยเต็มทีะนะขอให้แกขึ้นแกลงค่ะแ ก, ก, ก, กข้ามฟากเมื่อไหร่เป็นอันตายพวกสัตว์ที่ติดข้องด้วยอำนาจราคาก็ลักษณะเดียวกันเนี่ยนะผู้ที่ถูกตันหาทำให้มืดบอด ถูกบกคลุมถูกครอบถูกผู ก, ถ, กถูกมัดอยู่อย่างนี้พากันไปสู่ชราและมรณะเพราะอะไรเพราะสร้างเหตุแห่งชรามรณะอยู่อย่างนี้อยู่อยู่ร่ําไปอยู่ร่ําไปอยู่ร่ําไปแล้วการกล่าวถึงตันหาเนี่ยไม่ได้กล่าวไว้แต่เฉพาะในสูตรเดียวใช่ไหลายสูตรคําสอนของพระพุทธเจ้าสอนแนวเดียวกันทั้งหมดเพราะฉะนั้นบทหน้ากับบทหลังเนี่ยนะเหมือนกันหมดพระพุทธเจ้าแสดงเรกเรกตรัสรู้อย่างไรว่า ตันหาโพโนภวิการน่ยตันหานั้นใดที่นําไปสู่พบใหม่กําหนัดด้วยอํานาจความเพลิดเพลินกําหนัดอย่างยิ่งไม่ว่าจะเป็นการมตันหาภวะตันหาวิภวะตันหาตันหาเหล่านั้นแหละเป็นสมุทัยศาสตร์ทันสากลางกลามาจนถึงตอนจะดับขันปรินิพานก็ชี้โทษแห่งตันหาเหมือนกันว่าตันหาในฐานะเป็นสมุทัยศาสตร์เป็นเหตุแห่งวัตถุทุกจะกี่สูตรกี่สูตรก็แสดงว่าตันหาเป็นเหตุแห่ง วัตถุเพราะนันการสัมพันธ์บทหน้ากับบทหลังต้องเป็นไปตามแนวนี้นะเพราะนั้นพระองค์แสดงที่ไหนก็ต้องเป็นไปอย่างนี้ตลอดไปเพราะนั้นตันหาที่ใดพระองค์ก็แสดงว่าเป็นพุกที่นั่นใช่ไหมดังที่พระองค์ตรัสว่าตรัสกับนางวิสาขาว่านางวิสาขาบุคคลมีบุคคลอันเป็นที่รักร้อยก็ทุกร้อยมี99ก็ทุกเก้ามีเท่าไหร่ก็ทุกเท่านั้นเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะฉันราคะที่ไปรักใน บุคคลอันเป็นที่รักนะฉั น, น, น, นราคะอันนั้นเป็นเหตุแห่งทุกข์หรือแม้กระทั่งว่าพระองค์สอนพระปุณณนะว่ารูปที่น่าปราถนาะน่าใคร่หน้าพอใจชวนให้รักชักให้ใคร่พาใจให้กำหนัดถ้าบุคคลใดเข้าไปติดไปไปพอใจพูดถึงพร่ำถึงดำรงจิตติดอยู่ด้วยอำนาจความเยื่อใยเป็นต้นเนี่ยนะถ้าความเพลิดเพลินเกิดความรักเกิดความผูกพันเกิดอะไรเกิดทุกข์ก็เกิดนะวัฏตทุกข์ก็เกิดขึ้น เพราะตันหาเนี่ยเป็นเหตุให้สแสวงหานี่อย่างหนึง่งทุกเพราะการสแสวงหาก็หนักหนาสาหัสอยู่แล้วใช่ไหมแล้วก็ทุกที่เป็นไปในวัตตาอีกอย่างห น, นึ่งท่านตันหาเนี่ยมันเป็นเหตุให้ให้ทุกสองประการเรียกว่าตันหาที่เป็นสมุทาจารุกับวัตมูลสมุทาจารุนะัถ้าเราชอบอะไรก็ทําให้เกิดการสแสวงหาวัตถุนั้นๆอย่างหนึง่งทีนี้ตันหามันยังเป็นเหตุให้ในขณะเดียวกันเนี่ย วัตะอันยืดยาวเนี่ยนะเป็นตัวที่ขยายวัตะให้ยืดยาวนั้นหมู่สัตว์ทั้งหลายผู้เป็นไปด้วยอํานาจแห่งตันหาไหลไปตามอํานาจแห่งตันหาก็บุคคลนั้นก็ทุกข์อีกยาวว่างั้นเนี่ ย, เ, ย, เ, ยเหมือนกับว่าเนี่ยถูกคลุมด้วยตาข่ายถูกผูกถูกมัดถูกร้อยถูกรัดเนี่ยนะในทางธรรมะเนี่ยท่านถือว่าภพสามเนี่ยเหมือนกับคุกนะ เขาบอกว่าพบสามกำเนิดสคติ5นี้เหมือนคุกเหมือนตารางเพราะฉะนั้นสัตว์ที่อยู่ในคุกเดี๋ยวก็ถูกฆ่าบ้างเดี๋ยวก็ถูกประหารบ้างเดี๋ยวก็ถูกเชื้อดบ้างเดี๋ยวก็อะไรบ้างสัตว์ทั้งหลายที่อยู่ในโลกของเนี่ยวัตตะก็ลักษณะเดียวกันออกไม่ได้เนี่ยนะมันถูกผูกถูกมัดถูกร้อยถูกรัดเนี่ยนะเขาเรียกว่าเป็นดินแดนแห่งพญามารถ้าย่อว่ายอ่อมาสัตว์ก็เหมือนกับ อะไรที่อยู่ในสุ่มเท่านั้นเองมันออกจากนั้นไม่ได้ถูกฆ่าถูกแกงถูกเคี่ยมถูกตีจิกเข็นฆ่ากันในที่สุดก็าตายแล้วก็วนๆผูกพันอยู่ในงั้นแหละนเ่พระนิพพานนี่คือนอกคุกอ่ะนะโลกุตระโดยเฉพาะมรรคทั้งหลายก็คื อ, อประตูที่ออกจากคุกนั่นเองประตูที่ตัวประตูออกจากทุกนะ เ, เพราะว่าวัตฏะในภูมิสามมันก็เป็นอย่างนั้น เรามีวัตถุใดวัตถุนั้นก็ถูกลงโทษไปเรื่อยแต่ละอย่างแต่ละอย่างเหมือนเครื่องอะไรนะเครื่องล่อใจในอาศีวิสุปะมาสูตรพระสูตรที่พระองค์อุปมาเหมือนอสารพิษเนี่ยนะก็กล่าวว่าตอนแรกพระราชาก็บอกว่าไอ้นี่มันเป็นนักโทษร้ายแรงนะอัง น, นี้นะแกไปเลี้ยงอสอรพิษสีตัวก็เลยใช้ให้มาเลี้ยงมหาพูดนะแกต้องํำรูแลมันตามเวลานะ เช้าต้องดูแลอย่างนี้เที่ยงต้องดูแลอย่างนั้นบ่ายต้องดูแลอย่างนี้แต่ต้องผัดเปลี่ยนอิรยาบทให้มันสม่ำเสมอนะต้องดูแลบํารุงอ่ะเหมือนกับที่เราบํารุงกายอยู่ทุกวันเนี่ยอย่างนั้นแหละต้องดูแลให้มันขนาดนั้นนะถ้ามันหนาวต like like like mm ้องหาหาอะไรอุ่นๆมาให้มันถ้ามันร้อนก็ต้องมาพักมาวีต้องหาที่เย็นๆให้มันอยู่นะถ้ามันเมื่อยก็ต้องนอนให้มันเนี่ยนะดูแลต้องกินต้องเยี่ยวยาถ้ามันปวดมันอะไรดูแลให้หมดแต่ถามว่ามันมันเชื่อไม่ไหมมันก็คืออสอรพิษอ่ะนะ บางว่ามันก็กัดกันเองบ้างนะโอ้พาไปดูหนังดูละครพาไปสารพัดอย่างนั้นนะก็ดูแลอยู่นี่แหละแต่ว่าอสุรพิษก็คืออสุรพิษวันยังค่ําเลี้ยงมันขนาดไหนนะใครให้อาหารอย่างดีมาตลอดตั้งแต่เนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาเลยจนถึงมาจนถึงทุกวันนะเลี้ยงอาหารมาอย่างดีถามว่ามันมันกัดกันเองไหมทะเลาะกันมันก็กัดกันเองอีกแล้วนะเดี๋ยวมันก็เจ็บโน่นป่วยนี่เดีวก็ปวดนั่นปวดนี่อยู่นั่นแหละ ีอ ม, มีตรงไหนปวดหมดอ่ะนะถ้ายุ่มากกว่า น, นี้นะคิดตรงไหนปวดตรงนั้นหมดเลยส่วนผ้าหันเนี่ยนะผู้ที่ก้าวล่วงอยากใยกคือตัญหามูดีใดเนี่ยนะท่านรู้ว่าอะไรเป็นวัตตะวัตตะเป็นยังไงท่านก็ก้าวล่วงฉันทราคะเนี่ยผ้าหันเนี่ยเป็นผู้สิ้นตันหาเป็นผู้ถอนลิมสลักอะไรได้หมดแล้วครันก็ธรรมะในหน้า4ีสิบเจ็กับต้ น, ตน 48ก็คือวัตะเนี่ยข้างหลังก็แสดงเป็นวิวัตะกล่าวถึงผ้าหาันผู้พ้นแล้วซึ่งต่างจากปุตุชนก็ชี้เห็นว่าระหว่างปุตุชนกับผ้าหันเนี่ยแตกต่างกันมากปุตุชนทั้งหลายก็เป็นบุคคลที่เดินไปสู่ชราและมรณะส่วนผ้าหันทั้งหลายก็เป็นผู้ที่สิ้นตันหาสิ้นวัตทุกนะสรุปว่าสิ้นทุกทั้งปวงในคํานั้นสังขาร สังขารทั้งหลายที่ถูกกล่าวว่าเสียดแทงมีผลอันพึงสเสวยในปัจจุบันด้วยมีผลอันพึงสเสวยในอัตภาพที่สองด้วยมีผลอันพึงสเสวยในอัตภาพต่อๆไปด้วยตันหา ย, ย่อมให้ผลสาประการคือในปัจจุบันในอัตภาพที่สองแล้วก็ในอัตภาพต่อๆไปอย่างนี้ตันหาทิฐิมานะสังขารคือกรรมนี่นะคือพวกนี้มันอยู่กลุ่มๆเดียวกันใช่หมอ่ อย่างเส้นโลภามูลจิตดวงที่หนึ่งเนี่ยในโลภามูลจิตดวงที่หนึ่งเนี่ยมันมีองค์ประกอบประกอบไปด้วยอะไรบ้างาตันหาอาวิชากรรมทิฏฐิอยู่ด้วยกันในนั้นอะ่ะเพราะฉะนั้นพวกนี้เนี่ยโดยเฉพาะยกตัวอย่างถ้ากรรมถ้ายกว่ากรรมบางอย่างให้ผลชาติถ้าเป็นวิถีวิถีถ้าดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ดวงที่เจชาติหน้าดวงที่สองถึงดวงที่6 ให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปแม้กระทั่งตันหาก็ถือว่าเหมือนกันเพราะว่ามันอยู่ด้วยกันใช่ไหมอวิชชาตันหากรรมมันอยู่ด้วยกันอะ่ะจะกล่าวว่าแต่ละอย่างแต่ละอย่างให้ให้ผลเป็นทิฏฐธรรมให้ผลเป็นอุปชาวเวทนียกรรมหรืออัปราระเวชนิยกรรมเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดโลภะหรือจิตชนิดใดเกิดขึ้นนะอันเนี้ยให้ผลชาติดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้นะดวงที่เจ็ด ให้ผลชาติหน้า 2-6 ให้ผลในชาติที่3เป็นต้นโดยที่สุดแม้กระทั่งอ่านธรรมะเรียนธรรมะฟังธรรมเนี่ยเออเนี่ยตั้งใจฟังนะเจตนาดวงที่หนึ่งให้ผลชาตินี้ดวงที่7ให้ผลชาติหน้าดวงที่ 2-6 ให้ผลในชาติที่3เป็นต้นไปเนี่ยก็ต้องหมั่นมนาสิการไว้แบบนี้ตลอดโดยที่สุดแม้แต่กุศลใช่ไหมกุศลก็สังขารเป็นตระใจาแก่วิญญาณมันยังค่อมนะ ถึงสังขารนั้นจะเป็นกุศลหรืออกุศลก็ตามก็บางอย่างก็ให้ผลชาตินี้บางอย่างให้ผลชาติหน้าบางอย่างให้ผลในชาติที่สามเป็นต้นไปพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วอย่างนี้ว่าบุคคลย่อมกระทํากรรมใดอันประกอบด้วยโลภะด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีเขาย่อมเสวยวิบากแห่งกรรมนั้นในปัจจุบันบ้างในอัตภาพที่สองบ้างในอัตภาพต่ อ, ต, อต่อไปบ้าง คำของพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมสมควรกับคำหน้าและคำหลังนะคือการแสดงเรื่องคำเนี่ยะจะไม่ขัดกันเองคำหน้ากับคำหลังเกี่ยวกับเรื่องคำเนี่ยพระองค์แสดงยังไงก็ต้องเป็นไปตามอย่างนั้นเพราะพระองค์เอาความจริงที่มีอยู่มาแสดงเพราะฉะนั้นเมื่อความจริงมันเป็นเป็นไปอย่างนั้นเนี่ยพระองค์จะมากลับหน้ากลับหลังทําอะไรเพราะฉะนั้นคำหน้ากับคำหลังไม่จึงสมควรกันเนี่ยนะจึงเข้ากันได้เพราะว่าสิ่งนั้นมันเป็นอย่างนั้นตลอด ในคำนี้ความเสียแทงเป็นกรรมที่มีผลอันพึงเสวยในปัจจุบันบ้างเป็นกรรมที่มีผลอันพึงเสวยในอัตภาพที่สองบ้างเป็นกรรมที่มีผลอันพึงเสวยในอัตภาพต่อๆไปกรรมย่อมให้ผลสามประการอย่างนี้ในปัจจุบันด้วยในอัตภาพที่สองด้วยในอัตภาพต่อๆไปด้วยก็ก็กรรมที่ทำทุกครั้งเนี่ยมันจะให้ผลแบ่งเป็นสมระยะนะเหมือนกับอะไรนะเหมือนกับทางานหนึ่งครั้งนะรับรายรับ เฉพาะหน้าที่หนึ่งนะทำเสร็จเบิกเลยอย่างหนึ่งนะเอาพรุ่งนี้มาเอาอีกเบิกอีกครั้งหนึ่งนะวันหลังพร้อมเมื่อไหร่ค่อยมาเอ า, เอาที่เหลือวันหลังพร้อมเมื่อไหร่ค่อยมารับก็กแล้วกันแล้วทําอยู่อย่างนี้ทุกวันเนี่ยเมื่อไหร่จะหมดสักทีเนาะอันนี้ยกตัวอย่างมานะว่าทํากรรมด้วยโลภะหรือถ้าคนพานในโลกนี้เป็นผู้ฆ่าสัตว์จุดๆสามจุดตัวนั้นเนี่ยนะตัวเลข8ตัวนะั่นอยู่ตรงนั้น คืออทินนาทานกามีสุมิชาจารมุสาวาตปิสุนาวาจาสัมผัสปลาปะอะไรอีกอภิชาพยาบาทและสุดท้ายก็คือมิจฉาทิฐิความเห็นผิดด้วยเจตนาใดเขาย่อมสเสวยวิบา ก, กรรมนั้นในปัจจุบันบ้างในอัตภาพที่สองบ้างในอัตภาพ ต, ต่อต่อไปบ้างอันนี้ก็ถ้าล่วงอกุศลกรรมบทส0บนะน อกุศลกรรมบท10บนั้นก็บางอย่างก็ให้ผลในชาตินี้บางอย่างให้ผลในชาติหน้าบางอย่างให้ผลในชาติที่3เป็นต้นไปเพราะฉะนั้นถ้าเราเจ็บป่วยเป็นต้นนั้นไม่ต้องแปลกใจว่าเคยทําปานาติบาตมาไหมชาตินี้ก็ดวงที่1ก็ให้ผลได้สบายสบา ย, บายใช่ไหมดวงที่7ของชาติที่แล้วมาให้ผลในชาตินี้อีกก็ไม่ยากดวงที่2ถึงดวงที่6เนี่ยนะมันตามมาให้ผลแม้แต่แสนโกรธกลับเนี่ยนะ เพราะฉะนั้นตลอดแสนกฎกับที่เคยทําอกุศลมาแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องห่วงแล้วก็บาปก็เหมือนกันเนี่ยนะถ้าบาปที่กําลังทําตอนนี้อก็จะมีผลต่อไปอย่างนี้ในอนาคตบาปฉันใดบุญก็ฉันนั้นเนี่ยนะก็ทําทั้งบุญทําทั้งบาปชีวิตมันก็ทั้งสุขทั้งทุกข์คละเคล้ากันไปบางคนก็ร้องเรียกหาแต่สุขโดยส่วนเดียวแต่เหตุนี้เอาทั้งสองอย่างเนี่ยนะเหตุนี่ยทำบุญบ้างทำบาบ้างเออทำ บุญบ้างทำบาปหลายๆครั้งบ้างนานๆทำบุญบ้างเีย น, นะก็แล้วก็บอกขอให้บุญให้ผลสาธุเนี่ยนะขอแต่ผลบุญแต่ทีนี้ผลบาปมันก็เออแล้วแกจะเอาฉันไปเก็บไว้ไหนล่ะฉันขอให้ก่อนก็นแล้วกันนะ น, นะก็เลยบาปขอเอาขอเอา คำของพระผู้มีพระภาคเจ้าย่อมสมกับคำหน้ากับคำหลังในคำนั้นเพื่ทราบอย่างนี้ว่าความเสียดแทงพึงละด้วยอํานาจแห่งการพิจารณาเนืองๆอะไรเสียดแทงตันหาเนี่ยนะก็ละด้วยการพิจารณาเนืองๆสังขารทั้งหลายพึงละด้วยการเห็นตันหาวิจริษสาิบหกพึงละด้วยอํานาจภาวนาพิจารณาเห็นภาวนาเห็นตัวนี้ก็คือละด้วยทัศนะเป็นชื่อของเห็นนะเห็นเห็น ละด้วยการเห็นต้องเป็นระดับทัศนะทัศนะก็โสดาปฏิมักภาวนาก็คือสกะทาคามีมักอนาคามีมักและอรหัตตมักเนี่ยนะก็คืออริยมักนั่นแหละจึงจักละสังขารละตันหาได้ตันหาย่อมถูกละโดยสามประการเช่นเดียวกันคือละด้วยอะไรละด้วยการพิจารณาเนืองๆละด้วยทัศนะละด้วยภาวนาพิจารณาเนืองๆเป็นชื่อของอะไรเนืองๆเนือง ๆ, ๆ อนุปัสนาเนี่ยนะอนุปัสนาคือการพิจารณาเนืองเนืองทีจารณาเนืองเนืองก็เป็นเหตุให้โสดาปฏิมักเกิดโสดาปฏิมักเป็นเหตุแห่งภาวนามักชั้นสูงๆเพราะฉะนั้นวิปัสนาอริยมักทั้ง4ประการเนี่ยเป็นตัวละตัณหาความเป็นผู้สิ้นตัณหาเป็นนิพพานธาตุที่มีขันและกรร ม, มชรูป อ, อย่างร่างกายของพผ้าหันทั้งหลายเนี่ยนะก็เรียกว่าเป็นเป็นนิพพานธาตุ แต่เป็นขันเป็นนิพพานธาตุที่ยังเหลือวิบากกับกรรมชรูปนิพพานอันนี้ไม่ใช่อมัมตะนิพพานนะนิพพานธาตุตรงนี้นะ เ, เป็นสัพปาทิ่เสศานิพพานกับอนุปาที่เสศานิพพานเป็นปริยายที่กล่าวถึงวิบากกับกรรมชรูปไม่ใช่อนุปาทาปรินิพพานถ้าอนุปาทาปรินิพพานเป็นชื่อของอาสังคตตาธาตุเป็นนิโรสัจจะถ้านิพพานธาตุตรงนี้เนี่ยไม่ใช่นิโรสัจจะ นนะความเป็นผู้สิ้นตัญหาเป็นนิพพานธาตุที่มีขันธ์กับกรร ม, มชรูปนิพพานที่ไหนมีกรรมมีนิโรธะมีวิบากกับกรร ม, มชรูปไหมไม่มีเพราะฉะนั้นนิพพานธาตุตรงนี้เป็นปริยายที่กล่าวว่าด้วยผ้าอ า, าหารทั้งหลายเนี่ยนะท่านก็เรียกว่านิพพานแต่เป็นนิพพานที่มีวิบากและกรร ม, มชรูปนิพพานตอนนี้แปลว่าดับธาตุที่ดับตัญหาดับตัญหาแล้วยังเหลือวิบากและ กรรมมชรูปเพรา ะ, ะนั้นเป็นการกล่าวถึงทุกขสัตว์แต่เป็นทุกขสัตว์ที่ผ่านการทำปริญญามาเรียบร้อยเสร็จแล้วเนี่ยนะโดยไม่มีส่วนเหลือส่วนความแตกต่างแห่งร่างกายานะความแตกทำลายแห่งร่างกายเป็นนิพพานธาตนะุสภาพอันเป็นเหตุสงบอันไม่มีขันและกรรมมชรูปเหลืออยู่นิพพานที่เรียกว่าสร ปาทิเสสนิพานธาตนะุกับอนุปาทิเสสะกับอนุปาธาปรินิพานอนุปาธาปรินิพานกับอมตะนิพานกับนิโรสั จ, จ อันนี้อันเดียวกันส่วนสอุปาที่เสสะแปลว่ายังมีวิบากและกรรมมชรูปส่วนอนุปาที่เสสะคือไม่เหลือไม่เหลืออะไรไม่เหลือวิบากและกรรมมชรูปนิพานตรงนี้เนี่ยใช้กับผู้ที่มีปริญญา ปหาณนะสัชกิริยาใช่ไหมและภาวนานิพพานตรงนี้เนี่ยนะใช้กับผู้ที่มีปริญญาภาวนาปหาณนะสัชกิริยาตั้งแต่คําว่าสอุปาทิเศ ส, สะตรงนี้เนี่ยนะถ้าอย่างเงี้ยใช้กับพระอริยะบุคคลสิเทศโสดาปฏิผลเป็นต้นก็เรียกว่าสัปปะทิเศ ส, สะบุคคลเนี่ยนะ แต่ถ้าอนุปาทิเสสะเนี่ยใช้กับผ้ารหันอย่างเดียวเนี่ยอนุปาทิเสสะเพราะผ้ารหันนี้ดับวิบากและกรรมมาชรูปโดยไม่มีส่วนเหลือเพราะนิพพานธาตุสองประการเนี่ยเป็นปริยายที่กล่าวถึงทุกขสัจะ เป็นปริยายที่กล่าวถึงทุกขสัจจะที่ผ่านปริญญากิจแล้วซึ่งโคละอันกับอนุปาทาปริณิพานที่เป็นอมตะนิพานกับที่เป็นนิโรสัจจะคลาอันกันอันพาหันผู้สิ้นตัณหาดังที่กล่าวไปเมื่อกี้เนี่ยกล่าวโดยปริยายนี่ปริยายสุปาที่เสสะกับอนุปาที่เสสะ ภาวนาตัวเนี้ยเป็นตัวที่บรรลุอะไรเป็นตัวที่แทงตลอดอนุปาธาปริญนิพานอมะตะนิพานและนิโรสัจจะเนี่ยนะเพราะเพราะอำนาจของภาวนาภาวนาตรงนี้เนี่ยนะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใช่ไหมพาเวตาประธรรมเนี่ยแบ่งเป็นทัศนามาตรนะนะเป็นทัศน์ใช่ไหมทัศนามาตรกับ ภาวนามักก็แบ่งออกเป็นสองอย่างเขียนตัวเล็กนี้เดียวนะถ้าใครมองเห็นข้างหลังก็เก่งมากตาดีจริงๆเลยนะทำบุญอะไรมาเนาะใช้สปอร์ตไลท์ทำบุญมาหรือเปล่าไม่ทราบคือ <c oughs> <c oughs> สอุปาที่เสศก็ตั้งแต่พระโสดาบันเป็นต้นไปก็โสดาสกธาคามีอนาคามีและอรหันต์อนาคามีก็มีตั้งห้าประเภทอะอะนะอะไรนะ อุปหัจจะเป็นต้นเนะี่ยะอุปหัจจะก็มีผ้านาคามีห้านะอะไรนะอสังขาระปริฎิพายี ส, าสังขาระอุปหัจจะอุทังโศโตพวกนี้ก็มีชื่อของผ้านาคามีสุปปาทิเสสะมีเป็นถ้าจำไม่ผิดก็9ก้ า, าประเภท